จะให้พระพธองค์ไปช่วยหรือเมตตาไปแนะนำบอกกล่าวท่านผู้นั้นคือผู้ที่เข้าข่ายที่พระองค์จะเมตตาได้ในพระองค์เขามองดูรอบก็มาสิงขารมานพที่กรุงราชสกุ์เข้ามาในพยานคือเข้ามาในข่ายคือจอเลด้าของพระพุทธเจ้านะพอพระพุทธเจ้าท่านมองเมื่อจอเลด้าสายไปรอบๆ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 จากนั้นก็จะมีการเททององค์หลวงตาพวกพวกเราจะได้หล่อหลอมจิตใจสิทธิอนุสิทธิ์ของพวกท่านให้เป็นหนึ่งเดียวนะในการสวดทิฏิปิโสจากนั้นเราก็จะได้หล่อองค์หลวงตาเพื่อเป็นสลีเพื่อเป็นมงคลพวกเราจะได้กราบไหว้รูปเหมือนของหลวงตานานเท่านานนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรณนะัตตินนะ